สิบหกอาชะติกะทุกกะเจ็ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยสามยสี่สสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมพุทธสถานและจิตตสโมทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมบยุตขันและกระตาตารูปที่เป็นภายนอกโดยเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยเหตุตุปัจได้แก่เหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตโดยเหตุตุปัจในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตและกระตาตารูปที่เป็นภายในโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยเหตุกปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์จิตและจิตตสโมทานรูปโดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันจิตและปัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยเหตุปัจจัยอารมณะปัจจัยสามสเอ สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ elle, เพราะปรารบจิตจิตจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบจิตขันธ์ที่เป็นภายนอกจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบจิตจิตและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะโทมานต์จึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมวิดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู โูลทานมักผลและอวัชนะจิตโดยรมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่เป็นภายนอกซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งรูปพาไัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นภายนอกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขูฟังเสียงด้วยที่ประสตถาทัตรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อม ด้วยจิที่เป็นภายนอกด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายาตนะเป็นปัจจัยแข่วิญญาณัญจาญตนะอากีนจัญญาญตนะเป็นปัจจัยแข่เนวสัญญาณาสัญญายาตนะรูปลายญาตนะเป็นปัจจัยแข่ขันที่สหรูโขด้วยจักขูวิญญาณโดยอารมณ์ปัจจัยโผพธพายญาตนะขันที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแข่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณ ปูเพนิวาสานุสติญาณยถากรมูปัคขญาณอนาคตังสญาณและอาวชนจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารมณะปัจใจได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารพความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นจิต จ, จึงเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานย่อเพิ่เพิ่มข้อความทั้งหมดพระอริยะรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นและถึงบุคคลเห็นแจ้งรูปหาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยท่ปจักขุยอ่อรูปปายยตนะ เป็นปัจจัยแก่แจคูวิญญาณโพธพายตนะละถึงขันธ์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยาถากมูปัคขญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอารมณปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปราร r ความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นจิตและสัมบยุติขันจึงเกิดขึ้นยอ่อพึงเพิ่มข้อความทั้งหมดบุคคลเห็นแจ้งขันที่เป็นภายนอกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปราร r ความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นจิตและสัมบัตยุติขันจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปด้วยที่ปจัจจคุยอ่อรูปายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักุวิญญาณและสัมป ย, ยุตขันโธถพายตนะและถึงขันที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริย า, ยานปุเพนิวาสานุิสติยานยถากรรมูปะขยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยรมณปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก เป็นป um a. A a a ัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารถมณปัจจัยมีสามวาระทธิปฏิปัจจัยสี่สสองสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารถมนาธิปฏิได้แก่เพราะทำขันที่เป็นภายในและจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายใน เป็นปัจจัยเก่สภวาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปฏิและสหชาตาธิปฏิอารมณนาทิปฏิได้แก่เพราะทำจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่เป็นภายนอกจึงเกิดขึ้นสหชาตาทิปติได้แก่อธิปฎิธรรมคือจิตเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจกขัน์และจิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูล อารมนาทิปติได้แก่เพราะทำจิตที่เป็นภายในให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตและสัมปยุตขันจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานละถึงมีสามวาระสมรภูวาระแม้ทั้งสาม เพิ่มเพิ่มอธิปฏิปัจจัยทั้งสองสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระสำหรับวาระแม้ทั้งสามีอธิปติปัจจัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอนันตระปัจจัยเป็นต้นสามสสสาสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ิที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแ่จิตที่เกิดหลังๆโดยอนตรปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอนัตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแ่ขันธ์ที่เกิดหลังๆโดยอนัตตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละถึงมีสามวาระ สำหรับวาระแม้ทั้งสามก็เหมือนกับวาระเดียวกันสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยอนัตตระปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสมนันตราปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตตะปัจจัยมี9ก้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเก้าววาระเหมือนกับปัจจยาวาระอุปาณิสยปัจจัย3า4รสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปานิสยาอนันตารูปานิสยและปกระตูปานิสยาปะกระตูปานิสยาได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยอุปาินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราิมนูปานิสยอนันตรูปานิสยาและปะกะตูปานิสยาปะกฏตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละถึงมีมานะถือทิฐิอาศัยศีลเสนาสนะแล้วให้ทานและถึงทำลายสง์ศาเสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาภะสมาบัตโดยอุปนณิเสยปัจจัยพึงทําให้ครบทั้งสามวาระพึงเพิ่มคำว่าจิตและสัมปยุะขันด้วยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอุปนณิเสียปัจจัยมีสามวาระผูเรชาตปัจจัยสา5้สห้าสภาวธรรมที่เป็นภายใน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาต ะ, ะ, าต ะ, ะ, าตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่จยากขายยตนะเป็นปัจจัยแห่จกักขุวิญญาณ กายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายโดยเป็นสภาวะมิเที่ยงและถึงยินดีโทมนานะจึงเกิดขึ้น วัตถุปุเรชาตะได้แก่จักรายยตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยจักุวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยปเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยปเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณ์ุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเพราะปรารบจากสุขเป็นต้นนั้นจิตและสัมปยุตขันจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักายัตนะเป็นปัจจัยแก่จกักรวิญญาณและสัมปยุตขันกายายัตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมปยุตขันโดยปุเรชาตะปัจจัย346สภาวธรรมที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปโธทพะอาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักผุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตวัตถุปุเรชาตะได้แก่อาทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปโพธะภะหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเพราะปรารลบานเห็นแจ้งรูปเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักรุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุวัตถุปูเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปูเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปูเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจงรูป โธทะหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเพราะปรารบูรูปเป็นต้นนั้นจิตและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุวัตถุบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตะขันโดยบุเรชาตะปัจจัยสามร้อยสี่สิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายใน โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายัตนะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตกายายัตนะและหาไทยวัตถุเป็นปั จ, จจัยแก่จิตโดยปุเรชาติปัจจัยรูปายัตนะและจักขายัตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณผัวถภายัตนะและกายายัตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัย สภา ว, ภาวภา ock, ะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาติปจัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแห่ ข, ขันที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาติปัจจัยกายายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแห่ขันที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาติปัจจัย รูปายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรูคตด้วยจักขวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยโผธทพายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัยแข่ขันที่สหรูคตด้วยกายวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะ แล้ววัตถุปเรชาตะได้แก่จักรยายตนะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมพยุตตะขันโดยปเรชาตะปัจจัยกายายตนะและหาไทยวัตถุละถึงรูปลายตนะและจักรยายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณและสัมพยุตตะขันโดยปเรชาตะปัจจัยโพธพายตนะละถึงประชาชาตะปัจจัยและอาศัยวะปัจจัย สามร้อยสี่สิบปดสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที <S 2> <S 2> <S <S ่เป็นภายในโดยปัจฉาชาติปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่งกายนิทึกเบิก่อนซึ่งเป็นภายในโดยปัจฉาชาติปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่งกายนิทึกเบิก่อน ซึ่งเป็นภายนอกโดยปัจฉาชาตปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนที่เปิดก่อนซึ่งเป็นภายในและเป็นภายนอกโดยปัจฉาชาตปัจจัยเพึงเพิ่มเป็นก้าววาระอย่างนี้เป็นปัจจัยโดยอาเสวนาปัจจัยเพึงเพิ่มเป็นก้าววาระกามะปัจจัยและวิปากปัจจัย3สี่ สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยกรรมปัจจั ย, ยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาติได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขนันและจิตตสมุทานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนา <OU TS> นาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งเป็นภายนอกและกระตตารูป โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาน า, นาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแข่จิตโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนาน า, นาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแข่จิตที่เป็นวิบากและกระตัลตารูปที่เป็นภายใน โดยกรร ม, มปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์จิตและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณนกะได้แก่ เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยกัดขันที่เป็นวิบากจิตและกระตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยคำะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปบา ก, กับปัจจัยเนื้อก้าวาระอาหาระปัจจัยสามร้อยห้าสิบ สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมทีท่เป็นภายในโดยอาหารับปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่ปตัตารูปที่เป็นภายในโดยอาหารรับปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรู ป, ปโดยอาหารรับปัจจัย ในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตขันและกตัตารูปที่เป็นภายนอกโดยอาหารรปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและกตัตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารระปัจจัยสาห้าดสภาวะธรรมที่เป็นภายนอก เป็นปัจจ no ัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยอาหารระปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สมยุญตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะละถึงเกลียงกระหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแขกกายที่เป็นภายนอกโดยอาหารระปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยอาหารระปัจจัยได้แก่ อาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอาหารับปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตแวะกระตารูปที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยเกวเรลิงกราหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในโดยอาหารับปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่ อาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์จิตและจิตสตสัมมุทฐานรูปโดยอาหาระระบจดใจในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแ่สัมปยุทธะขันธ์จิตและกระตัลตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารรับาัใจกาวเลียงกราหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารระบาดใจสามร้อยห้าสิบสอง สภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยอาหารประปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปที่เป็นภายในโดยอาหารประปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยอาหารประปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สัมพยุจฉาขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจฉาขันและกระ ต, ตารูปที่เป็นภายนอกโดยอาหารระปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารระปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ อาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแ่สัมปยุตุขันและกระตัตรารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารระปัจจัยอินทรียปัจจัยสาม้อยห้าสิบสามสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยอินทรียปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแฝดกระตัตารูปที่เป็นภายใน โดยอินทริย์ปัจจัยจากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมพุทธะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายใน เป็นปัจจัยแก่สัมพยุจจขันและกัตตารูปที่เป็นภายนอกโดยอินทรียปัจจัยจากขุนศีเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคคด้วยจักรวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยกายอินทรียเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัหรโคด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทรียปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกตัตรารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริย์ปัจจัยจากขุนสี่เป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณและสัมปยุตตะขันกายอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมปยุตตะขันโดยอินทริยปัจจัยสามห้สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่ อินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตสมุธฐานรูปโดยอินทรีย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและประตาตารูปที่เป็นภายนอกโดยอินทรีย์ปัจจัยรูปปัจจิวตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปที่เป็นภายนอกโดยอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายใน โดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอินทรียปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตและกระตาตารูปที่เป็นภายในโดยอินทรีย์ปัจจัยรูปปัจจิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปที่เป็นภายในโดยอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายใน และที่เป็นภายนอกโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันจิตและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันจิตและกระตาตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทรีย์ปัจจัยรูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก โดยอินทริย์ปัจจัยสามห้าสิห้าสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอนนกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยจากขุนศีและอุเปกขีศีเป็นปัจจัยแก่จากขุวิญญาโดยอินทรีย์ปัจจัย กายยินทรีย์และสุขหินรีและถึงกายยินทรียและทุกขินสีเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยอินทรียปัจจัยในปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและกระตัตารูปที่เป็นาภายนอกโดยอินทริย์ปัจจัยจากขุนศีและอุเบกินศีเป็นปัจจัยแก่ขันที่สะหรโคด้วยจักรวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยกายยินรีและสุขหินศีและถึงกายยินทรีและทุกขินศีเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรโคด้วยกายวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทรียปัจจัยได้แก่ในปฏิ <im> สนธิขณะอินทรีย์ที่เป <igan> ็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมพยุทธะขันธ์และกตัตรารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยจากขุนสีและอุเบกขินศีเป็นปัจจัยแก่จักขขวิญญาและสัมพยุทธะขันธ์โดยอินทริยปัจจัย กายินสีละถึงชานะปัจจัยเป็นต้นสามอห้าสหสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยชานะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระว <win> ิปยุตตปัจจัามอยห้าสิบเจดสภาวะธรรมที่เป็นภายใน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยวิวิยตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปที่เป็นภายในโดยวิบยุติปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขลายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญ ญ, ญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญ ญ, ญาณโดยวิบิยุติปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันท mm. ี่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายในที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายในโดยวิปิวิตตปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยวิปิวิตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปิวิตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะปุเรชาตะได้แก่จักรยานตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัโรโคด้วยจกักรวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สั่รโคด้วยกายวิญญาณโดยวิบยุตตปัจจัยปัจจาชาตะได้แก่ขันที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายน้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายใน เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ทเป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหาชาตตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิ ญ, ญญาณและสัมปยุตตขัน กายญาณตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาและสัมปยุตตะขันโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายในและเป็นภายนอกโดยวิปยุตตะปัจจัยสาม้ห้าสบแสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะ ปูเรชาตะและป at ัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิบยุตตปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิบยุตตปัจจัยปูเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นภายนอกโดยวิบยุตตปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายนอกโดยวิบิยุติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยวิบิยุติปัจจัยมีสามอย่างคือสหาชาตะภุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณนะขันที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กระดตารูปที่เป็นภายใน โ ด, aroma, โดยวิบิยุติปัจจัยในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิบยุติปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิบิยุติปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่คันที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่ไฟนิจเกิดก่อนซึ่งเป็นภายในโดยวิบ uh uh uh ิยุติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก โดยวิบิยตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาติปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสา้ยห้าสิ้าสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในโดยวิบิยติปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแข่งกัตตารูปที่เป็นภายในโดยวิปวิตยาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่และถึงที่เกิดภายหลังย่อสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยวิปวิตยาปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาววะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยวิบวิทธะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกย่ออธิปัจจัยเป็นต้นสามร้อยหกสิสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอธิปัจจัยมีสามอย่าง คือสหาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่งขัดตารูปที่เป็นภายในโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันปัจฉาชาตะพึงเพิ่มให้เหมือนกับปัจฉาชาตะปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกโดยอติปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาติบรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เปิดพร้อมกันซึ่งเป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัยยอ่ออัติปัจจัยในที่นี้สหชาตะในที่ทุกแห่งพึงทำให้เหมือนกับปัจจยวาระ ทำปุเรชาตะให้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยทมปัจฉาชาตะให้เหมือนกับปัจฉาชาตะปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสามร้อยหกสิเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะพึงขยายให้พิจารณาทั้งหมดสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะย่อ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 ปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหาชาตะได้แก่ขันท e <|so|> ี่จะหรโคตด้วยจักขวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยอธิปัจจัยขันที่จะหรโคด้วยกายวิญญาณและถึงในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแขกตาตารูปที่เป็นภายในโดยอธิปัจใจปุเรชาตะได้แก่ จักรขายัตนะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอธิปัจจัยกายายัตนะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอธิปัจจัยรูปายัตนาและจักขายัตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณโพธพายัตนาและกายายัตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เ <Jub> ป <ilee> <use. S 1> ็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน ซึ่งเป็นภายในโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกและโกลงกราหานเป็นปัจจัยแขกกายนิทิ่เบิดกนซึ่งเป็นภายในโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกและร tamam ูปชีวิตินทรียีเป็นปัจจัยแขกตัตารูกที่เป็นภายในโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจชาชาตะมหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สหรูปด้วยจกักรวิญญาณจากขายตนะและจกักขรวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอธิปัจจัยสหชาตะเหมือนกับปัจจยวาระไม่มีข้อแตกต่างกันเหมือนกับข้อความตอนต้นนั่นเอง เพิงจำแนกหมดทุกบทโดยในแห่งขัตนาแรกสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรคตรด้วยจกักรวิ ญ, ญญาณและจักราตรยตนะ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 อะระมณปัจจัยมีเวาระอาทิตติปัจจัยมีกวาระอนันตรปัจจัยมีเ้วาระสมานันตรปัจจัยมีเกวาระสหชาตปัจจัยมีเ้วาระอัญญมัญญปัจจัยมี้วาระนิสยปัจจัยมี้าวาระปปนิสยปัจจัยมีเวาระปูเรชาตปรัจจัยมีเาวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอะไสวณปัจจัยมีเวาระ กมะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระมหาระปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียะปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ อว like ิคตะปัจใจเมียก้าวาระอนุโลมจบสองปัญนายุทธะสามร้อหกสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปนิสยปัจัยบุเรชาตะปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอก โดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณ Eig, BC, ิเสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัย365สภาวธรรมที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที ah ata, ่เป็นภายนอกโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรมมปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัย กรัมมปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแค่ heiro, สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดย er i, อารัมมปัจจัยสหชาตะปัจจัยจอุปาณิยปัจจัย uh ปุเรชาตะปัจจัยปัจชาชาตะปัจจัยรัมมะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียะปัจจัย 366. สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยอหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิเสธปัจจัยปุเรชาติปัจจัย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 สสังขยาวาระ367รเนเหตุกปัจจัยเนี่ยเก้าวาระนอารรมณปัจจัยเนี่ยเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระโนอวิคตะปัจจัยเนี9้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะ368รอยนอธรรมณะปัจจัยกับเพรตกปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระ ณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสัมมันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระสี่ ปัจยะปัจจนิยานุโลมสามร้อหกสิบเก้ารารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจใจเมียเก้าวาระมาทิปติปัจใจเมียเก้าวาระเพึงเพิ่มบทอนุโลมมาถูกาละถึงอวิคตะปัจใจเมียก้าวาระอัชติกะทุกะจบ